ไปอยู่กับความเห็นแล้วก็คิดว่าตอนนี้เรายังไม่อาจจะรู้ได้ฟังดูแล้วมันตรงกับความเห็นเราก็จริงแต่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้ก่อนเราต้องไปสื่อพ้นให้มันชัดก่อนแล้วถึงว่าว่าไอ้ น, น, อ น, อนี่มีบางคนเป็นอย่างนี้งั้นตรงนี้ก็ต้องต้องแต่ถ้าหากมันเป็นเรื่องเรื่องที่ถ้าเราอย่างนี้ว่าถ้าเรารู้โดยเฉพาะถ้าเรามีข้อมูลของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อมูลหลักชัดอยู่แล้ว ข้อมูลอื่นๆเนี่ยถ้ามันสอดคล้องตรงนี้ปุ๊บมันชัดเลยแต่บางคนเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลหลักความจริงตรงนี้เป็นตัวหลักไว้หรอกแต่มีมีความเห็นเป็นโพงตัวเองอยู่ฉันฟังอะไรได้ทุกเรื่องเลยแต่ฉันจะไม่เชื่ออะไรหรอกแล้วฉันก็ไปค้นไปเรื่อยๆนะข้าวนะข้าบางทีทั้งทั้งที่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งนั้นมันถูกแต่เรากลับไปล่าเลยกลับไม่ได้ประโยชน์กับมันก็มีนเรื่องแบบนี้ แล้วบางคนเนี่ยเอาแล้วอยากสมมติหนูเป็นคนติดความเห็นดีนะเอาเลยฉันพูดเลยว่าเนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างเนี้ยรู้แล้วหนูจะต้องไปคน้นหนูก็ต้องไปค้นอยู่นั่นแหละแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วฉันไม่บอกทั้งหมดเพราะหนูเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆถ้าทั้งๆ ท, ท, ที่ฉันรู้ทั้งหมดนี่แหละเข้าใจใช่ไหมแต่ฉันรู้ว่าหนูจะเป็นคนแบบนี้ฉันเลยโยนให้เลยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแต่ฉันไม่บอกอรายละเอียดนะ พอบอกได้หนูไม่ได้ตั้งความรู้สึกเชื่อเชื่อ mm. เชื่อปัญญาใช่ไหมเดี๋หนูตั้งความรู้สึกว่าต้องเชื่อจากที่ตัวเองไปสัมผัสเท่านั้นฉันก็ปล่อยหนู mm. โอ้โหหนูเสียเวลาเยอะเลยสองวันก็แล้วสาวันก็แล้วหนูต้องไปค้นอยู่นั่นแหละเพราะว่าฉันฉันวิจัยมาจนตกผลึกหมดแล้วจนจนมันชัดเจนตามนั้นแล้วเข้าใจยังแต่ฉันรู้ว่าหนูเนี่ยถ้าบอกทั้งหมดหนูก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีหนูต้องไปค้นอยู่ดีฉันก็เลยบอกบางส่วนบอกหนึ่งสองสาี่แค่นี้พออ่ะโยนเลย โอ้โ oh, หนูต้องไปคน้นคนคนเองทั้งๆ ท, งที่แทนที่จะใช้เวลาน้อยมากพา่อช่วยสรุปให้หน่อยเพราะคนคนเนี้ยไม่ไม่หลอกเราแน่สรุปประเด็นหน่อยเพราะท่านต้องไปเสียเวลาค้นเองต้องไปทําความเข้าใจอีกทั้งหมดใช่ไหมด <c oughs> ังนั้นเขามีที่ปรึกษาไว้ทําไมใช่ไหมเอาละคุณเป็นที่ปรึกษาคุณให้เลยคุณบอกมันเลยเขาก็บอกทั้งหมดผู้เข้าใจใช้เวลาไม่นานเลยนี่เขาเรียกว่ายอดย่ น, ยนเวลาแต่คนบางคน ถ้าหนูเป็นคนบอกว่าเฮ้ยไม่นะไม่ว่าใครทั้งนั้นฉันจะตั้งความรู้สึกแบบนี้ไว้ไอ้ น, นี่เสียนะบะนี่บางอย่างดีบางอย่างไม่ดีไม่ใช่ดีทั้งหมดไม่ใช่เสียทั้งหมดบางสถานการณ์ถ้าไปเจอคนที่เขาเขารู้ไม่จริงดีแบบนี้เราต้องเป็นคนเองให้มันชัดเพราะไอ้เจ้านี้รู้ไม่จริงแต่ถ้าไปเจอคนที่รู้จริงแล้วเขาดันรู้เราด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ ถึงจะบอกทั้งหมดยังไงเราก็ต้องขอไปดูเองก่อนเขาไม่บอกหมดแล้วเขาเหนื่อยเขาเขาอ่านขาดไงเขาอ่านขาดเขาก็บอกแค่บางส่วนแล้วก็โยนอย่างหนูก็ไปแล้วถึงออืคนใหญ่คดเขาใหญ่ไงนั้นมันก็ต้องดูสถานการณ์ดูบุคคลดูอะไรต่างๆหลายอย่างอย่ า, ย า, ย อ, ยายอย่ายืนการกระต่ายขาเดียวว่าฉันต้องเป็นคนนี้ให้รู้ว่าอันนี้ก็คือความเห็นหนึ่ง มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ได้แต่อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อการจะทำให้เราพัฒนาปัญญาถือว่าดีที่สุดก็ทำพอมองออกั hmm. ้ยถ้าอย่างเงี้ยมจะชันถ้าไปยืนไม่ดีท mm ่ hmm. ้นเหนื่อยมากเลยในโลกเลนี้ใช่มล่ะเหมือนกรณีว่าถ้าหนูทำงานถ้าหนูไปทำงานถ้าหนูได้แต่คนเก่งๆมาอยู่ด้วยหนูก็สบายใช่ไหมสคัญที่สุดตอนนี้พราะคนมันสำคัญกว่ายางอื่น ถ้าหนูได้แฟนเก่งฉลาดโอ้โหก็บุญหนูใช่ไหมล่ะดีก็ถูกหวยก็เก่งดดนี่ฉลาดนี่คนเก่งคนฉลาดคนดีแล้วยเก่งฉลาดดีแล้วโอ้โหใช่ไหมเก่งฉลาดดีและแถมมีความสุขเขาอีกโอ้โหหายากอะไรนี้่งนี้หนูต้องรีบจับไว้แล้วจะเจอลบบูกนี้ใช่ไหมเก่งฉลาดดีแล้วก็มีความสุขใช่ไหม คร บ, บเลย ห, หนูเจอค น, นประเภทนี้หนูตามเลยกลัวมันจะเปลี่ยนใจหลังจากไล่มือมง น, นี้คู่คอโอเคไหม <c oughs> มันดูได้หรือเปล่าเป็นคนถูกไหม น, นะ่ <c oughs> <c oughs>